ข้อความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปัญญาบารมีมาโดยลำดับนัยยะของอัตถกถามหาสติปปทานในสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเน้นไปที่การใช้สติสัมปชัญญะความเพียรระลึลกรู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรม ก็เป็นการแสดงในแนวที่เรียกว่าเป็นเอกอยนามกคือทางอันเอกที่จะนำบุคคลให้บรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้ากล่าวโดยรวมก็คือหลักของสมาสติในรียมักนั่นเองท่านก็ได้จำแนกปัญญาไว้เป็นสามสี่ระดับด้วยกัน ดับแรกก็คือปัญญาที่เกิดจากจากการศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นปกติเลยคือหมายความว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามปัญญาวางทีต้องมาจากประสาทสัมผัสจากการศึกษาเรียนรู้ก็เรียกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายมันก็เรียนรู้มาทำประสาทสัมผัสดังนั้นตัวนี้จึงกลายเป็นตัวหลักประการต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าวะวัฏฐานปัญญา ปัญดาี่เกิดจากการเริ่มลงมือเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ประการที่นี้ค่อนข้างพิสดารแต่เราโดยสรุปก็คือว่าในสติปัฏฐานทั้งสี่ประการเนี่ยพูะเจ้าทรงสแสดงตามพื้นฐานของคนในโลกคือคือคนบางคนนั้นมีความกำหนัดหรือการมาราคะนกก้า ปัญญาน้อยก็จะยึดติดพอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมถึงใจเขาไปกำหนดว่าสิ่งเหล่านี้ยมันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจเขาก็จะปักใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและจะมีความกาหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีลหลงไหลครั้งใคล อ, อยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็พูดโดยรวมก็คืออารมณ์โลกทั้งหลายนั่นเอง ทำยังไงคนจะเข้าถึงความจริงในส่วนตรงนี้พระเจ้าก็ทรงเน้นไปที่ผลซึ่งหมายความว่าผลนั้นเป็นเรื่องที่น่าสัมผัสมากทรงใช้กำมลติวัตตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายหมายความเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติพัฒนาคุณภาพของจิตขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น เป็นความบริสุทธิ์ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาแล้วก็เรียนขึ้นไปได้เป็นเจ็ดระดับคนะรับโสกปเรวนังสมาติกมายะเพื่อให้จิตเนี่ยมันก้าวล่วงหรือผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆที่กระตุ้นเตือนให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่เพราะเข้าถึงความจริงของกายเวทนาจิตธรรมท่านก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจในเรื่องดอนั้น แล้วก็ทุกขโทมนาฏสานังถั ง, งกรรมายะเพื่อการอัสดงดับไปของความทุกข์ทั้งหลายแล้วเพื่อความสัจรู้อันยิ่งจนถึงกระทาให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปโดยดัง่งดันการเริ่มลงมือปฏิบับติมันก็ทำให้สัมผัสปัญญาระดับหนึ่งหรียกตัวอย่างเช่นเราจะเิญพวกกายานุปัสสนาข้อต้น การตั้งสติระลึกอยู่ดูที่กายของเราข้อแรกระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกหมายความในขณะนั้นลมหายใจของเราเป็นยังไงก็ตั้งสติระลึกไปตามนั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวเวลาสั้นมันก็ตั้งสติกําหนดกําหนดรู้เช่นเดียวกัน แต่การปฏิบัติอย่างนี้ในระยะหลังนี่รู้สึกมันทํำกอนข้างยากเพราะครูบาอาจารย์ในตอนต่อมาท่าคนก็คิดท่านก็คล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับขั้นบันไดที่มันเหมาะสมหรับผู้ใหญ่ที่จะก้าวขึ้นแต่ว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเหยียบได้หรอกมันต้อง อ, อะไรต่อรองให้เพือนห น, อ น, น่อยแน่เหล่านี้มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นขอนหย่อนเอ่อ วางให้เหยียบขึ้นไปสู่ขั้นบันไดก็มีวิธีสอนกันหลายวิธีามาเองอยางนึกชอบแบบวิธีของจีนที่เขฝึกเด็กก็ใช้กระบวนการธรรมชาติเนี่ยก็เอาเม็ดถั่วหรือเม็ดอะไรก็กตามกลมๆนะกลมๆนะนะแล้วก็มาใส่ภาชนะเอาไว้แล้วก็ฝึกให้เด็กหยิบด้วยตะเกียบหยิบไปใส่อีกถ้วยหนึ่ง แล้วก็กําหนดเวลาแล้วก็รดเวลาให้น้อยลงน้อยลงน้อลงแต่ว่ามเมล็ดถั่วเท่าเดิมนะตะเกียบก็ยังอันเดิมซึ่งหมายความว่าถ้าหยิบได้หมดคือถ่ายจากถ้วยหนึ่งไปสู่ถ้วยหนึ่งได้หมดในเวลารวดเร็วเนี่ยก็หมายความว่าสติสัมผัสญญความเพียร น, นั้นทํางานประสานกันจิตกับมือนี่มันทํางานประสานกันแล้วก็ฝึกไปเรื่อย จนถึงจุดหนึ่ ง, งก็มารวลึกสิ่งที่เป็นรูปธปรรมหยาบคือลมหายใจเนี่ยถือว่ารูปนะแต่มันก็ค่อนข้างละเอียดก็เริ่ดรู้ที่ลมหายใจแต่ก็มีแนวหนึ่งที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านสอนไว้คือแนวนับเขาเรียกการานาคือการนับเป็นการนับลมหายใจเข้าออกนี่แหละ อาจจะเข้านับหนึ 1, ่งจจะออกนับหนึ 2, ่งจะเข้านับสองอจะออกนับสองอจะเข้านับสามจะออกนับสาอจะเข้านับสี่จะออกนับสี่อาจจะเข้านับห้าจะออกนับห้าแล้วก็นับไปเป็นชุดๆหนงหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าใหม่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปด้วยวาการนับในลักษณะนี้มันอาจจะพรางอาจจะเผลออาจจะลังเล ถ้าสมมติว่าชุดเนี่ยเราจะนับหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดแล้วก็เพลิอไปเป็นแปดแปดหรือเกิดไปลังเลที่ตอนเจ็ดเจ็ดหรือลังเลตอนหกหกก็แสดงว่าขณะที่เราลังเลอยู่เนี่ยเวลามันก็ผ่านไปหลายวินาทีแล้วถ้าเราขับรถแล้วมันเกิดลังเลขนาดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะอุบัติเหตุที่เกิดมันเป็นวินาทีนะฮะที่จริงไม่ใช่นาทีเรามันเป็นวินาทีตะนันเดง วพราในการฝึกกิจในแนวนี้ไม่ได้ฝึกใช้เฉพาะในกรณีนี้แต่เพื่อบุคคลอยู่ยังมีสติมีสัมปชจันทะมีความเพียรพยายามที่น้นช่วยกันแล้วก็นำองค์ธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้กับอะไรก็ได้หรือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้กระดูลมหายใจเข้าออกหรือจะนับลมหรือว่าจะใช้ภาวนาหรือจะทาอะไรก็ตามและเมื่อเราระลึกดูไปเรื่อยๆ เ, เนี่ย มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นการเลื่อนไหลเกิดดับของกระแสลมลมหายใจเข้าออกจึงเป็นกายสังขารเป็นตัวปรนปรือเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกายเราหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายแล้วแล้วในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เห็นว่าเป็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ถี่ยิบเรื่อยไปเรื่อยๆ สแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนี้แหละมันก็ลมหายใจเข้าออกประวัติสปปรรพชีวิตทั้งหลายที่เรารักหรือเราชังก็ตามนะฮะเราเฉยๆก็ตามมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกก็สแสดงว่าก็มีกายสังขารเหมือนกันแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยลมหายใจมันอ่อนลงจนบางครั้งนี่ค้อยๆจะหายไปเลย แล้วก็มีสติมีสัมมิัฉาญะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหาวิธีที่จะแก้ไขก็ดูลมทางสติเราเล็กรู่ที่จุดซึ่งลมเคยเข้าออกนั่นเองแล้วพอลมเกิดขึ้นเราก็ได้ความคิดอีกอะได้ความคิดว่าเออไอสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตราบใดเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันเราไปบงังคับไปเขาอยู่นิ่งไม่ได้ครับหรือเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่จากนั้นมันก็ยกขึ้นมาสู่ก็ารวิปัสสนาปัญญาคือหมายความว่าเรามามองหน่วยย่อยของกายคือลมหายใจเข้าออกก็เห็นว่ามันตกอยู่ในกฎของใจหลักคือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพราะลมหายใจต่อไปมันก็คือกัน แล้วก็ส่วนหนึ่งๆของร่างกายเนี่ยมันก็คือกันรวมแล้วเป็นชีวิตก็คือกันคนที่เรารักเรชาชังมันก็คือกันนะ่ะก็เป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมันก็ถ่ายถอนความรู้สึกรักชังลงไปได้หรือแม้แต่จะมีความรักชังอยู่แต่ว่ามันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันถึงความจริง คนที่เราชาังตายก็ตายคนที่ ร, รักตายก็คือตายมันไม่ไปรู้สึกซ้ําเติมดีใจสะใจที่คนซึ่งเราชาังตายหรือว่าเศร้าโศกเสียใจเมื่อคนที่เรารักตายเพราะตายก็คือตายเหมือนกันแล้วเราจะดีใจเสียใจอะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความตายไม่ให้เป็นไม่ตายไม่ได้เราเองก็จะต้องตาย มันก็เรียนนั่งคิดดูลมหายใจเขาเออกคิดอะไรไปอะได้เรื่อย ๆ, ๆแล้วจะมองขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆก็หมายความว่าถ้าพื้นฐานวุฒิภาวะเราดีพอนะฮะแต่งคนบางคนมันเอายากเหมือนกันเพราะถ้าท่านความรู้สึกเรานี่แรงก็เรียกว่ากรมราคะแรงปัญญามันไม่มากอาจะสอนด้วยการดูลมหายใจบางทีก็เอาไม่อยู่ เพั้นแนวสุดท้ายนะฮรก็สอนให้ดูซากศพในปาชาแน้แต่ซากศพนั้นต้องเป็นซากศพจริงๆนะจิตใจของมนุษย์อุ่นแปรผันได้ง่ายมันอาจจะรังเกยียจมันอาจจะกลัวหรือว่าถ้าศพใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดมีความพอใจติดใจในสังขารร่างกายตรงนั้นก็ได้เพราะงั้นสภาพจิตของมนุษย์มันเอวยากเหมือนกันเพราะงั้นก็จะสอนให้ดูศพ ถึงสองสามวันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ฉีดยานะเกิดมาความว่ามันเป็นดูโดยสภาพของมันแล้วก็ทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพูนสติปัญญามองสิ่งทั้งหลายในเป็นสากล น, นะคือเกิดขึ้นตั้งโยดดับไปเหมือนกันปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการจเจริญสติปัญญาดูตรงไหนก็ตาม พอใจสงบสมาธิมันก็เกิดขึ้นปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นแล้วก็ดูการเกิดดับท่ถี่ยิบได้นะครับแล้วในที่สุดก็จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกําหนัดความยึดติดจะรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็ลดลงไปเองโดยธรรมชาติเพราะเอาก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริง อย่างสมมติแต่งตั้งอย่างนี้อย่างพระเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนนท์เป็นก็เพื่อไม่ได้เป็นแล้วผลถึงจุดหนึ่งก็ตายตายก็คือศพชนิดหนึ่งไม่ได้มีความเป็นเจ้าน้ําเจ้าคุณไม่มีสมเด็จชั้นนั้นชั้นนี้อยู่ในตรงนั้นก็มีแต่ศพถึงก็เป็นการตื่แตกดับของสังขารทาั้งหลายแต่เราเข้าใจตรงนี้นะครับ แต่จริงเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์แเต่ที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มปรนามานั้นทิฐิซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ปัญญามันจะเกิดรู้ทักทันอย่างที่เค ย, ยกตัวอย่างว่าปัญญาพอเขาเกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลักษณะเพรรู้ทักทันมันเกิดฉับไวสามารถวิเคราะห์วินิจฉยัยตัดสินปันธาต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ โดยไม่ได้เพิ่มกิเลสแต่ว่าลดกิเลสตรงไปประการต่อไปนั้นเป็นปัญญาที่เรานำมาพิจารณาก็เรียกว่าสมัสนะปัญญาหรือว่าสมัสนะปัญญาหมายความว่าเรายกอะไรขึ้นก็ได้ก็มาพิจารณาดังนั้น คนที่มีใจิตใจกำหนัดพอใจอยู่ในร่างกายตนและร่างกายคนอื่นน่ะมันมีเรื่องที่พิเศษอยู่เรื่องหนึ่งคือนางสิริมาซึ่งอดีตเป็นนักละโศเพนีแล้วเป็นน้องสาวของหมอชีวโกมารพัฒนในการต่อมาก็เป็นอุบาสิกาโสดาบันท่านก็ทำบุญตักบาตรแบบ นิมนพระจากสงฆ์คือแบบสังฆทานนะนิมนพระจากสงฆ์ก็สง์ก็ส่งพระมาตามจํานวนนี้ท่านบอกไว้บอรวานพระที่ละรูปเนี่ยบางทีก็พระหนุ่มปากคอมันเลาะรามกับขะนองไปถึงก็พูดถึงความสวยงามของนางสิริมาเล่าก็น้องฟังคนนี้ฟังก็พูดกันเร่เร่มันมีลิสุรูปหนึ่งซึ่งเกิดปักใจอยู่มากมากเพรว่ารู้ข่าวความสวยงามของนางสิริมามานานแล้ว ไฟฝันปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงอยู่ภายในใจเรื่อยนะบ่าจะได้พบนางสิริมาท่านปุงแต่งซะจนสวยเลิศเลอไปหมดแต่ถ้าเราลองนับดูว่าตอนนั้นนางสิริมาก็ต้องแก่แล้วว่าสามสิบกว่าอาจจะสี่สิบกะไรเลยสามไปแต่ว่าใจมันปรุงอย่างนั้นพอนปรึงเบรนที่ท่านไปเนี่ยที่จริงนางสิริมาป่วยก่อนหน้านั้นป่วยอยู่สามวันนะ่ แต่ว่าวันนั้นก็เห็นว่าพอจะนั่งรถเข็นมาตักบาทได้ก็นั่งรถเข็นมาแล้วก็ตักบานแต่ว่าใจทีท่านปรุงร่วงหน้าเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนปุ๋ยจะเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยก็เกิดปักใจเลยอยากจะศึกออกมาและจะอยากจะได้นังสิริบานไปถึงก็ประหารไม่ยอมขบฉันนอนคลุมโปงคิดปรุงไปด้วยการต่างๆ พระเจ้าก็ทรงรู้นะฮะแต่เฉยๆก็าตอนนั้นทรงรู้อะไรเป็นอะไรแล้วต่อมานางศริมาก็ตายรุ่งขึ้นน่ะรู้สึกว่จะตายพระราชาก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าไปสงสารพรพุทธเจ้ารับสั่งว่าให้ประกาศไปใครต้องการจะเอานางศริมาไปก็ให้เอาไปเอาให้มาพันการประนะไม่มีใครรับลดลงไปเรื่อยๆจนให้เปล่าก็ไม่มีใครเอา เด น, นี้เวลามันก็ผ่านไปเยอะศพมันก็เปลี่ยนแปลงพอถึงได้จังหวะพระพุทธเจ้าก็ให้ประกาศแก่พระทั้งหมดว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิริมากันไอ้พระรูปนั้นก็ไปคิดอย่างที่ท่านคิดอะ่ะคือนางสิริมาก็สวยอย่างนั้นอย่างนี้ก็รีบกวีกรวาดนะหายหิวไปเลยไปถึงก็มีแต่ศพพรุทธเจ้าก็รับสั่งถามประกมากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ก็กราบทูลเล่าไปด้วยลำดับแล้วก็เชียดู ส, กสักศพว่ามันเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่เราใจเราไปกำหนดกำหนัดด้วยอำนาจของความรักใคร่พอใจก็จริงคือเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็สงสรุปโดยขัตถาที่นำมาใช้บังสกุลนะฮะวาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ย่อมดับไป พการทําใจสงบระงับในเรื่องสัตว์ในเรื่องสังขารทั้งหลายจะได้เนี่ยจะเป็นความสุขแล้วก็ทรงแสดงโดยนิยาต่างๆพิสูรรูปนั้นก็พิจารณาตามไปนะเพราะว่าท่านก็ชอบพอสมควรเพราะว่าที่ท่านฝันไว้อีกอย่างหนึน่งที่เจอจริงก็เป็นอีกอย่างหนึนนะ่งนหะแล้วก็เจอเข้ามาตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึน่งมันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ดับไปเราเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นการปรุงภายในใจของท่าน แต่ว่านางสิริมาเองเนี่ยอายุต้องไม่ไม่ไม่น้อย่นะคือถ้าเราลองนับดูทางเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สี่สิบแหละแต่แถวสี่สิบตอนท่านตายเนี่ยคือคัมภีร์พระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยให้ใรายละเอียดเรื่องอายุเท่าไหร่ใครอายุเท่าไหร่ะตายที่ไหนเกิดที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยให้รายละเอียดในละักษณะอย่างนั้นเพราะมุ่งเรียบเรียงในการนำเสนอธรรมะเป็นหลัก มัจะไปศึกษาประวัติคนเป็นหลักวันรายละเอียดเป็นมันมากเนี่ยทำให้เราไม่รู้เวีนวายแต่บางทีก็นึกเชื่อมเอานะ่ะไวาเชื่อมเอานี่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าพระอานุนอย่างเนี้ยตอนนตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยอายุท่านสักเทา่าไหร่ไปชนะอายุท่านสักเทา่าไหร่ก็จะเห็นว่าเมื่อท่านปีเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานเมื่อวันเพนเดือนหก ก็จงกับวันประสูติพอดีก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็อายุย่างเข้าปีที่แปดสิบเอ็ดมันก็เทียบเคียงก็อย่างเนี้ยหรือว่าพระัญญาโกณทัญญาตอนที่ท่านบวชเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ามาโปรดอายุท่านควรศักเท่าไหร่มันก็ลองอนุมานดูนะตอนพระพุทธเจ้าประสูติใหม่ๆเนี่ยท่านเป็นพรามแปดคนที่ทํานายลักษณะของพระโพธิสัตว์ คามจบใจเพศไปทางกษัตริย์ใอย่างเก่งมากๆเนี่ยเรียกว่าอายุก็คงตกระสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าการที่เชิญมาแล้วก็บอกเป็นพรามหนุ่มที่สุดเนี่ยกตีว่าอายุทันทักยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งตอนนั้นพ ร, ระพุทธเจ้จาท่านก็สามสิบหกสานสิหกย่างกตีละสามสิบห้าเต็มเพราะงั้นกนทันยา ก, ก็แก่กว่ายี่สิบก็แสดงว่าห้าสิบ้าอะไรเนี่ย คือเราก็ก็มาคิดกคหนวณเราในลักษณะอย่างนี้จึงจะพอได้เขานะฮะแต่นี้ก็เป็นการแสดงว่าพอสัมผัสอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นอีกอีกระดับหนึ่งแล้วมันจะเกิดเบือนนายจะเกิดคลายกำหนัดเพราะมาะถึงจุดหนึ่งมันเข้าบรรลุที่เรียกว่าภิสมัยปัญญาคือปัญญาที่ทําลายกิเลสดขาดเป็นผลมาจากการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ประการ คือแนวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นแนวที่สอนกันมากแล้วว่าที่จริงเนี่ยบางทีก็ยึดติดมากเกินไปนะฮะสติปัฏสานมันเป็นการพูดในแนวของอริยมรรคสี่ข้อและสามข้อแรกเนี่ยนะทีนี้พระข้อธรรมานุ ป, ปัสสนานี่เอามาหมดเลยนะศึกษาทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องของสมุทยัยทั้งเรื่องของนิโรธทั้งเรื่องของมรรคเนี่ยเอามาเรียนบทเลยก็สรุปว่าที่อื่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าคนบางทีไปยึดติดในชื่อในภาษาในโครงสร้างเวลาพูดไปแล้วมันก็เหมือนกันหรือเรื่องเดียวกันเพราะว่าธรรมะมันก็ไม่มีอะไรก็มีอริยสัจตอนนั้นเองอริยสัจจะเริ่มจะตรงไหนก่อนก็ได้นะเริ่มจะตรงไหนก่อนก็ได้แล้วมันจะมีจุดบรรจบมันเองหรือถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องเราจะเริ่มที่ทุกข์ก่อนสมุทัยก่อนนิโรธก่อนหรือมรรคก่อนก็แล้วแต่ เราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างอุปสมานุสติเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็แสดงว่าเริ่มมาจากนิโรธแต่ว่า น, นิพพานเรายังไม่ได้สัมผัสเราก็ศึกษาโดยปริยัติแต่การปฏิบัติก็มุ่งเข้าไปสู่ผลตรงนั้นในขณะที่ปฏิบัติก็พิจารณาเทียบเชียงไปเรื่อยๆนะฮะว่าบรรลุมากผลแลหรือยังถึงแลหรือยังพอทำนองคล้ายๆกับปรับปรุงอาหารคล้ายๆกับไปที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบ ว่ารสชาติมันเป็นปลายตามที่เราต้องการแล้วหรือยังหรือว่าถึงสถานที่นั้นแล้วหรือยังอยู่ในกิโลเท่าไรอะไร่ะไรเนี่ยมันก็การตรวจสอบในแนวนี้เป็นวิธีประพฤติปฏิบัติในทุกๆเรื่องเพระาะนั้นเมื่อท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเบื่อหน่ายจะเกิดขายกำหนัดตามธรรมชาติของการเจริญศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็ท่านก็จะทาลายกิเลส ซึ่งเคยยึดติดนะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นรัวเป็นโนของเรานะแต่ว่าที่การที่ทรงแสดงไว้หลายข้อเนี่ยสี่กลุ่มใหญ่เนี่ยเพราะพื้นฐานจริตคนในต่างกันอ่าพวกกลุ่มหนึ่งอ่าพวกกลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกว่าตัณหาจริตกล้าปัญญาก็ไม่มากประเภทที่สองเนี่ยตัณหาจริตกล้าแต่ว่าปัญญามากนะตัณหาจริตไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ปัญญามาก ประเภทที่สามก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตก็หมายความมาส่วนมากมันจะปักใจฝังใจแล้วก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปหเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังเป็นประการสำคัญท่้นผ้ฟังทั้งหลายตาลุมพระโพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรณนธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี